Book 2 7เจ5ดสิบห้าซยิยิสเปเหตุผลบางประการทำไมคุณไมมาคะเปจซึเนปรี e ยเ e อากาศแย่มาก พูดชั่วสีก é แย่ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากเนื่อง e า o พูดชั่วสีก็แย่ทำไมเขาถึงไม่มาคะ pre าะฉันไม่พรีเไม่ได้รับเชิญ n ม่ได้รับเชิ เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ n ิ e p r เย่เปรตุเจเนเย่ปอสวานีทำไมคุณไม่มาคะ Pre ตชุญญิปริเยดิฉันไม่มีเวลานิมามช a, a s ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลาญิปริเยน เพราะ ž e วเ m นีมามชัสทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ n e รดะฉันยังต้องทำงานค่ะมุสิมเอส e p r a c o ว a ดดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะเนโซสตันย์เพราะตั p r a c ีม่า ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะดิฉันเหนื่อยค่ะทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะดึกแล้วค่ะ ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะเซสตูเยมเพราะที่ยังไม่สกโรกรุณาไปที่ w w w b o em, o k t o d e สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด